พร้อมกันก็เฉพาะในวันพระเท่านั้นและหากรูปใดทำผิดวินัยเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่อบัตขั้นประราชิกก็จะปรงอบัติกันในวันนี้ส่วนวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันธรรมสวรนระต่างคนต่างปฏิบัติอยู่ในกุติของตนมีปัญหาหรือสงสัยในเรื่องใดเกี่ยวกับการปฏิบัติก็จะไประเรียนถามท่านเจ้าอาวาส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 มันก็แปลกนะคุณบัวเฮียวตอนปฏิบัติใหม่ๆท่านพระครูก็บอกผมอย่างนี้ตอนนั้นผมก็ไม่เชื่อผมมั่นคนหัวรั้นไม่ยอมเชื่อใครง่ายๆแต่ก็ชอบลองชอบพิสูจน์และผมก็ได้พิสูจน์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านสอนวิธีให้ใช้ด้วยพระบัวเฮียวตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมง และจึงเริ่มต้นเดินจงกรมอาศัยที่ความจำดีจึงเดินได้ถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการท่านเดินไปมาอยู่ในกุฏิซึ่งมีความยาวประมาณสามเมตรด้วยความเพลิดเพลินกระทั่งเสียงกริ่งนาฬิกาดังขึ้นกดปุ่มนาฬิกาให้หยุดคำรามแล้วตั้งใหม่ให้ปลุกตอนตีสี่หยิบเครื่องนอนซึ่งมีเสือ่อหมอน กับผ้าห่มมาจัดการปูที่นอนข้างๆพระมหาบุญคลีผ้าออกคลุมกายด้วยอากาศเริ่มหนาวเย็นเพราะย่างเข้าสู่ฤดูเหมันปิดไฟแล้วก็เอนกายลงใช้มือขวาวางบนท้องสังเกตอาการพองยุบพร้อมกับบริกรรมพองหนอยุบหนอตามที่พระอุปชาสอน สักครู่ก็ม้อยหลับไปโดยจับไม่ได้ว่าหลับไปตอนพองหรือว่าตอนยุคเสียงกลิ่งนาฬิกาดังขึ้นเมื่อเวลาตีสี่พร้อมๆกับเสียงพระตีระคังตามด้วยเสียงเห่าหอนของสุนัขที่พากันหอนเห่าทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเง่งงางของระคังซึ่งดังก้องกระหึ่มไปทั่วบริเวณพระบบวเฮียวสะดุ้งตื่น แต่ยังงวงเงียเพราะหลับไม่เต็มอิ่มอากาศตอนเช้ามืดหนาวเย็นน่าจะซุกกายอยู่ใต้ผ้าห่มอันอบอุ่นท่านจึงเอื้อมมือไปกดปุ่มนาฬิกาหมายจะนอนต่อแต่เสียงที่ดังอยู่ริมหูทำให้ท่านหายง่วงเป็นปลิบทิ้งบัวเทียวถ้าเจ้าเกียจคร้านเห็นแก่หลับนอนไม่รีบเร่งทำความเพียร เจ้าก็จะไม่สามารถแก้กรรมได้เจ้าเดินมาถูกทางแล้วขอให้เดินต่อไปอย่าท้อถอยตื่นขึ้นเดินจงกรมเดี๋ยวนี้จำได้แม่นยำว่าเป็นเสียงลึกกลับที่เคยได้ยินเมื่อปีที่แล้วพระบวชใหม่รีบลุกกลางหน้าแปลงฟันสวดมนต์ทวัดเช้าแล้วเดินจงกรมพระมหาบุญลุกออกมาไปปฏิบัติหน้าที่ หน้าพระอุโบสถเพื่อเปิดโอกาสให้พระโบเฮียวได้ปฏิบัติอย่างอิสระไก่ป่าที่ส่งเสียงขันประชันกับเสียงเกาว้าเกาเว้าของเจนกเกาว่านั้นมิได้สร้างความรำคาญให้กับผู้บวชใหม่เพราะท่านรู้จักกําหนดว่าไก่ขันหนอนกร้องหนอเมื่อได้ยินเสียงสุนัขเห่าท่านก็กําหนดว่าม้าเห่าหนอ เดินจงกรมได้สักครู่ก็รู้สึกว่าท้องร้องโครกครากด้วยไม่ชินกับการอดข้าวมื้อเย็นสักครู่เสียงปูดปูดปัดปาดก็ดังขึ้นเป็นระยะคราวนี้พระใหม่ต้องใช้เวลาคบคิดว่าจะกําหนดอย่างไรก็ท่านพระครูสอนเพียงให้กําหนดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มถ่ายอุจจาระปัสสาวะ แต่ตอนผายลมท่านไม่ได้บอกไว้ภิกษุคนซื่อก็เลยกำหนดเอาเองว่าตดหนอแล้วก็มีอันต้องกำหนดอย่างนี้บ่อยครั้งท่านไม่เข้าใจระบบการทํางานของร่างกายว่าเมื่อไม่มีอาหารอยู่ในกระเพาะลมที่อัดอยู่ในช่องท้องจะปั่นป่วนแล้วก็หาทางระบายออกอาการเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับพระบัวเหวี่ยวเท่านั้น ผู้เริ่มปฏิบัติกรรมฐานทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤลือหัไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีเด็กหรือผู้ใหญ่ย่อมมีอาการแบบเดียวกันนี้แท้จริงมันเป็นเพียงปรากฏการของสภาวะธรรมเท่านั้นเดินจงกรมเสร็จท่านก็เอนกายลงนอนเอามือขวาวางบนท้องครั้งนี้ท่านลงหนอไม่ทันจึงได้แตะพองยุบ พองยุบเท่านั้นเวลาหกนาฬิกาพระบัวเหี่ยวออกบิณฑบาตกับพระอีกสี่รูปมีพระมหาบุญนำหน้าส่วนท่านเดินหลังสุดท้ายเพราะเพิ่งบวชท่านพระครูไม่ให้พระในวัดนี้ไปบิณฑบาต ท, ทางเดียวกันเกินห้ารูปและให้แบ่งแยกกันไปเป็นสายๆจะได้โปรดสัตว์ได้ทั่วถึงกลับจากบิณฑบาต จึงไปฉันรวมกันที่หอฉันยกเว้นท่านพระครูซึ่งจะบินทบาทเดียวและกลับมาฉันตามลำพังที่กุฏิของท่านแต่ถ้าเป็นวันพระหรือในโอกาสพิเศษก็จะมีคนมาทำบุญเลี้ยงเพลินท่านก็จะให้ไปฉันที่ศาลาการประเรียนพร้อมภิกษุอื่นๆและในวันนั้นท่านก็ฉันสองมือเพื่อไม่ให้ญาติโยมเขาเสียความตั้งใจ ท่านรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวไม่เกรงครัดรัดตัวจนเกินไปแต่ก็ไม่ให้ผิดวินัยของสงฆ์เมื่อฉันเสร็จพวกลุกศิษย์ก็จะแบ่งอาหารเก็บไว้ถวายเพลส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งพวกเขาก็ตั้งวงรับประทานกันวันใดมีอาหารไม่พอ ทางโรงครัวก็จะทำขึ้นมาเสริมงานหนักที่สุดเห็นจะได้แก่งานโรงครัวเพราะมีคนมาเข้ากรรมฐานแทบไม่เว้นแต่ละวันบางครั้งก็มากันเป็นคณะคราวละร้อยสองร้อยท่านพระครูก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีทั้งเรื่องที่พักและอาหารเท่าที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้ได้ผู้ที่มาวัดต่างก็พากันประทับใจ ในอัธยาศัยไมยตรีของท่านไม่มีใครที่มาวัดนี้แล้วจะไม่อยากมาอีกพระบัวเหวียวกลับไปที่กุฏิของท่านเดินจงกรมให้อาหารย่อยแล้วจึงสงน้ำทำความสะอาดร่างกายหลังจากนั้นก็ไปหาท่านพระครูเพื่อให้ท่านสอบอารมณ์แล้วก็สอบวิธีนั่งสมาธิเป็นยังไงเมื่อคือนนอนหลับสบายไหม ท่านพระครูถามหลังจากที่พระใหม่ทำความเคารพแล้วก็นั่งในที่อันสมควรแล้วสบายครับพระบัวเฮียวตอบแต่ไม่ได้เล่าเรื่องลึกลับให้ท่านฟังได้เกรงว่าจะถูกดุว่าเกียรติคร้านหลับไปตอนยุบหรือว่าตอนพองล่ะออจะจับไม่ได้ครับผู้บวชใหม่สารภาพ คิดว่าคงจะถูกพระอุปชาดุแต่ท่านกลับพูดว่าเอาละ่ะยังจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคืนนี้ค่อยลองอีกทีภิกษุวัยใกล้ส0สิบค่อยโล่งอกแถมยังแอ บ, บล้อเลียนท่านในใจว่าฮันแนหลวงพ่อพูดเอาล่ะอีกแล้วสงสัยท่านคงใช้คำนี้วันละหลายร้อยหนนพระใหม่ไม่รู้ตัวดอกว่า ถูกผู้อาวุโสอ่านใจอยู่เงียบๆ เ, เป็นสิทธิ์อย่าหัดล้อเรียนครูบาอาจารย์ท่านพระครูกล่าวเสียงเรียบแต่พระบัวเหวี่ยวถึงกับสะดุง้งทำไมหลวงพ่อรู้ล่ะครับถามเสียงอ่อยก็ทำไมฉันจะไม่รู้เล่าท่านย้อนถามพระบวดใหม่อดคิดไม่ได้ว่าท่านพระครูนี่ยังกลับเป็นผู้วิเศษ สงสัยคงเป็นพระอาหารหันฉันไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรหรอกแล้วก็ไม่ได้เป็นพระอาหารหันด้วยถ้าจะเป็นก็คงได้แค่พระอรหิท่านพูดยิ้มยิ้มคนเป็นสิทธิ์ยิ่งพิศวงงงวยหนักขึ้นไม่รู้ว่าท่านอ่านใจผู้อื่นได้อย่างไรอย่าเพิ่งไปสงสัยว่าทำไมฉันถึงทำได้ ถ้าเธอปฏิบัติเคร่งครัดไม่ช้าก็ต้องทําได้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรฟังพระอุปชาพูดแล้วพระบวทหม่ได้กําลังใจขึ้นอีกเป็นกองและคิดว่าจะทําให้ดีที่สุดเอาละ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเธอจับพองยุบได้ชัดหรือยังพองชัดครับแต่ยุบยังไม่ค่อยชัดแล้วก็ลงหนอไม่ค่อยทัน บางทีเลยได้แค่พองยุบพองยุบต้องพยายามลงหนอให้ได้เอาละ่ะถ้าจิตไวขึ้นก็จะได้เองไม่ต้องไปเครียดกับมันมากแต่เรื่องกำหนดนั่นน่ะเธอยังทำไม่ถูกนะเอาละ่ะฉันจะอธิบายสติปัฏฐานสีให้เธอฟังอย่างคล้าวคล้าวสติปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งของสติ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 การหายใจเข้าออกเดินยืนนั่งนอนถ่ายอุจจาระปัสสาวะอย่างที่ฉันเกริ่นไว้เมื่อคราวที่แล้วคำว่ากายในที่นี้หมายถึงร่างกายของเราเท่านั้นนอกเหนือจากนี้ไม่ต้องสนใจเพราะฉะนั้นที่เธอกำหนดว่าไกาข่ขันหนอม้าเห่าหนอนั้นใช้ไม่ได้ เพราะมันไม่ได้เป็นกายานุปัสนาพระบวเหียวแปลกใจเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วพระโบวเหียวแปลกใจเป็นครั้งที่เท่าไหร่ของเช้านี้ก็นับไม่ถ้วนเสียแล้วท่านพระครูมีอะไรให้ท่านพิสวงหลงไหลและท้าทายต่อการพิสูจน์ทดลองเป็นเสียทุกเรื่องพลันพระบวชใหม่ก็นึกถึงคำบริกรรมของท่านตอนผายลม นึกวันวาดในใจว่าท่านจะรู้หรือไม่หนอก็พอดีท่านพูดขึ้นว่าทำไมจะไม่รู้นั่นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันไม่มีใครเขาบริกา ร, รพิลึกพิลั่นอย่างเธอหรอกพระใหม่รู้สึกอายเป็นกาลังจึงอดครวนว่าโทษหลวงพ่อครับก็ผมบริกา ร, รในใจแท้ๆทาไมหลวงพ่อถึงได้ยินล่ะครับ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 แต่เขาไม่ทำกันเพราะการปฏิบัติทำเป็นไปเพื่อละกิเลสคือโลภะโทสะโมหะแต่ถ้าเธอเอาไปใช้ในทางนั้นมันก็เป็นการเพิ่มกิเลสผิดจุดประสงค์ที่แท้จริงของการปฏิบัติครับผมเข้าใจแล้วหลวงพ่อกรุณาอธิบายกายาสนาต่อเธอครับกายานุ ป, ปัสนาต้องเรียกให้ถูก เวลาไปสอนคนอื่นจะได้ไม่เลอะเลื่อนเลื่อนเปื่อนครับกายานุปัสนาผู้เป็นสิทธวนคำนั่นแหละถูกต้องเอาละก่อนจะเข้าใจกายานุปัสนาจะต้องเข้าใจอายตนะเสก่อนอายตนะแปลว่าสิ่งที่เชื่อมต่อกันให้เกิดความรู้แบ่งเป็นอายตนะภายในหก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 จะหมูคู่กับกลิน่นไหนลองบอกซิว่าลิ้นคู่กับอะไรอาหารที่กินเข้าไปครับตอบอย่างภาคภูมิได้คิดว่าคำตอบนั้นถูกต้องแล้วผิดตอบใหม่อีกทีสิลิ้นคู่กับฟันครับคราวนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะัก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 ลอยอยู่ข้างนอกว่างั้นเถอะไหนตอบหมาสิเอาให้แน่แน่รูปรสกลิ่นเสียงโพธั พ, พะกกรรมรมครับรูปรสกลิ่นเสียงโพธั พ, พักและกรรมรมครับธรรมรมเว่ยไม่ใช่การมารมคนละเรื่องเลยคนสอนบนอุกและเพลอพูดคําว่าเว้ยออกมาเอาละเอาละ่ะ ทีนี้อายตนะภายในก็รู้แล้วนะสิต่อไปจะได้กาหนดให้ถูกต้องหลวงพ่อครับกาหนดบริกา ร, รเนี่ยเหมือนกันไหมครับเหมือนการจะใช้คำว่ากาหนดก็ได้หรือว่าจะใช้บริกรรก็ได้ทีนี้เมื่อเธอได้ยินเสียงไก่ขันสุนัขเห่าหรือว่าเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่รับรู้โดยหู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 เอาล่ะทีนี้ถ้ามันมีกลิ่นด้วยเธอจะกำหนดว่าอย่างไรพระใหม่ถูกทดสอบอีกถ้าเป็นของตัวผมเองผมก็บอกว่าหอมหนอถ้าเป็นของคนอื่นก็เหม็นหนอครับคราวนี้ท่านพระครูหัวเราะชอบใจเออเข้าทีดีเนี่ยเข้าใจตอบคนตอบก็เลยหน้าบานเลยคิดว่าถูกต้องดีแล้ว จริงๆรงนะบัวเหียวคนอย่างเธอเนี่ยจะว่าสอนง่ายก็ไม่ใช่ครั้นจะว่าสอนยากก็ไม่ใช่อีกยังไม่ทันที่ท่านจะพูดต่อพระบัวเหียวก็ขัดขึ้นว่าจะว่าสอนง่ายก็ใช่จะว่าสอนยากก็ใช่ตัางหากละครับเอาล่ะเอาละนี่บอกตามตรงนะบัวเหียวฉันไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย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 ท่านพลับครูครานที่จะต่อปากต่อคำจึงวกกลับมาเข้าเรื่องเดิมเอาละ่ะเมื่อเธอเข้าใจอายตนะภายในภายนอกแล้วทีนี้เวลาปฏิบัติได้กําหนดได้ถูกต้องจําไม่ไหวอย่าไปปรุงแต่งให้กําหนดรู้เฉยเฉยทำไมถึงปรุงแต่งไม่ได้ล่ะครับหลวงพ่อก็ถ้าปรุงแต่งมันก็เป็นกิเลสนะสิ อย่างเช่นที่เธอกำหนดว่าหอมหนอมันเป็นโลภะเหม็นหนอมันเป็นโทสะถ้าทำเฉยๆไม่กำหนดรู้มันก็เป็นโมหะดังนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็ต้องกำหนดว่าได้กลิ่นหนอโดยไม่ไปปรุงแต่งว่ามันจะหอมหรือว่าจะเหม็นเข้าใจหรือยังละ่ะเข้าใจแล้วครับดีแล้วอ้าละ่ะ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 นั่งอย่างนี้งอเข่าขาซ้ายขาขวาวางบนพื้นถ้าสมาธิสองชั้นก็ยกขาขวาทับข้างบนขาซ้ายถ้าสามชั้นหรือเรียกว่าสมาธิเพชรก็ยกขาซ้ายทับขาขวาแล้วจึงเอาขาขวาทับขาซ้ายอีกทีหนึ่งและท่านจึงสาธิตวิธีนั่งสมาธิทั้งสามแบบ ให้พระบวัวเหียวดูพระใหม่ทำตามได้สองแบบแรกและพยายามจะทำแบบที่สามแต่ก็ทำไม่ได้เพราะรู้สึกมันเหมือนขาจะหักทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำประเดี๋ยวขาแข้งหักไปจะยุ่งกันใหญ่ปฏิบัตินานๆเข้าก็ทำได้เองเอาละวันนี้นั่งสองชั้นไปก่อนนั่น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 มันพองก่อนหรือว่ายุบก่อนพองก่อนครับนั่นล่ะถูกต้องแล้วเพราะคนที่บอกว่ายุบก่อนแสดงว่ายังจับไม่ได้โดยธรรมชาติแล้วเราจะจับพองได้ก่อนยุบหนอจึงให้บริการว่าพองหนอยุบหนอคนที่บริการว่ายุบหนอพองหนอแสดงว่ารู้ไม่จริง